สำรวมใจของตนให้ดีเรามาฝึกตนมันก็ต้องอย่างนี้แหละต้องหัดสำรวมใจหัดกำหนดใจลงไปทำยังไงใจมันจะหยุดนิ่งอยู่ภายในก็ทำลงไปถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ จิตมันจะไม่หยุดนิ่งได้เลยมันจะคิดสร้างไปทั่วการปล่อยให้จิตสร้างไปทั่วนั้นไม่มีประโยชน์มีแต่โทษการทําให้จิตหยุดนิ่งนั้นมีคุณฝ่ายเดียวไม่มีโทษเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรง สรรเสริญโดยว่วานัสิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีพระพุทธภาษิตนี้นะพากันจำเอาไว้แล้วสอนใจของตนให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี้ <c oughs> <c oughs> เมื่อเราเห็นตามพุทธภาษิตนี้แล้วมันก็จะมุ่ง ต่อความสงบจิตนั่นเป็นที่ตั้งเลยการกระทำต่างๆเราทาการงานด้วยกายด้วยวาจาก็ดีเราก็นึกถึงสันติเป็นที่ตั้งทำอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความสงบพูดอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่เบียดเบียนกันและกัน นี่ยงนี้พิจารณาก่อนแล้วจึงค่อยทำค่อยพูดไปเช่นนี้นี่มันก็เป็นไปด้วยความสมงบระงับการอยู่ในโลกอันนี้นะของคนหมู่หนึ่งหรือหมู่มากคนหมู่มากร่วมกันอยู่ถ้าไม่มุ่งความสงบเป็นที่ตั้ง มันก็วุ่นวายมันมีผู้ใดผู้หนึ่งสร้างความวุ่นวายขึ้นมาด้วยรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันไม่เห็นไม่เห็นโทษแห่งความวุ่นวายไม่เห็นคุณแห่งความสงบระงับเช่นนี้แหละโลกนี้ถึงได้วุ่นอยู่อย่างนี้สำหรับในทางธรรมแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ชาโครปรตินิสสกโกมุติอนาระโยไอ้ผู้ที่จะถึงสันติความสงบได้มันก็ต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ในทางที่มันจะเป็นไปเพื่อความวุ่นวายนั่นนะเราสละซะอย่างนี้ <c oughs> สละแล้วก็ปล่อยวาง ไม่ยึดถือเอาไว้นะเนี่ยเมื่อปล่อยวางได้ก็ค้นจากเรื่องวุ่นวายเหล่านั้นไปเมื่อจิตมันค้นจากเรื่องเหล่านั้นไปมันก็ไม่อะไรมันอีกมันไม่อะไรจริงๆข้อนี่รู้้วยตนเองผู้ใดสละเรื่องใดได้จริงๆแล้ว มันจะไม่อะไรมันอีกเลยจะไม่หวนเก็บเอามาวิตกวิจารเสียดายอะไรในสิ่งที่ตนเสียสละแล้วนั้นอีกต่อไปอันบุคคลผู้ที่เสียสละยังไม่เด็ดขาดสละไปได้ชั่วคราวชั่วระยะหนึ่งมันก็ไม่อะไรไปเฉพาะ ระยะหนึ่งเท่านั้นเองทั้นไปไปเผลอเผอแล้วมันก็กลับอะไรเข้ามาอีกมันก็วิตกวิจาร์ถึงเรื่องนั้นต่อไปอีกทีนี้การวิตกไม่ใช่วิตกเฉยๆเหมือนวิตกวิจาร์ขึ้นมาก่อให้เกิดความเสียใจดีใจคับแคนใจอะไรขึ้นมาหรือก่อให้เกิดความโกรธขึ้นมาอย่างนี้ นี่แสดงว่าผู้นั้นยังสละไม่เด็ดขาดก็ต้องรู้ตัวการปฏิบัติธรรมนี้เราต้องประเมินผลไปพร้อมกันที่อย่างเช่นว่าท่านสอนให้ละความรักอย่างนี้นะเราละได้ขนาดไหนก็ต้องพิจารณาดูที่ตนปฏิบัติมา ให้รู้ถ้าอย่างว่าเป็นพลึหัสผู้คลองเรือมีครอบครัวอย่างนี้ตนละได้แล้วไหมว่าความรักอันเกินขอบเขตเป็นเหตุให้ล่วงสินข้อที่สามอย่างนี้นี่ตนละมันแล้วหรื อ, อยังถ้าว่าละได้แล้วจะไม่รู้อำนาจเกี่วแก่ความรักอันเป็นเหตุให้ล่วงสิน ข้อที่สามนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความรักอยู่ในขอบเขตของผู้ครองเรือนมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรเพราะรักอยู่ในขอบเขตความรักของหน้าบวชเนี่ยตนได้ละความรักอันนั้นมามากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคน จะต้องพิจารณาตัวเองให้รู้ว่าเท่าที่ตนปฏิบัติเจริญสมถะวิปัสสนามาทำให้ความรักเหล่านี้มันเบาบางลงได้ขนาดไหนเพราะหนักหัวนี้จำเป็นต้องละให้หมดไปเลยความรักต่างๆเช่นกามมาตั์นหาภาวะนหาปีภาวะนหา ตัณหาสามประการนี้เราจะต้องเพียนละให้มันหมดไปการมาติหาความอยากหรือความรักในกรรมกุลทั้งห้าหรือว่าในกิเลสกรรมในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมู่เนี่ย ท่านเรียกว่ากา ม, มาตัญหาเราละมันบรรเทาบาบางไปได้เท่าไรเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องรู้กิเลสกามเช่นเป็นนักบวชเนี่ยมันจะวิตกเวทจานอยากจะมีลูกมีเมียอะไรไปอย่างนั้นนะมันมีไม้กิตใจนั่ น, นต้องคิดดูให้ดี ถ้ามันมีก็แสดงว่ามันประมาทในความเป็นนักบวชประมาทยังไงประมาทที่เบื้องต้นตนเบื่อหน่ายแล้วจึงได้มาบวชไม่ปรารถนาที่จะครองเรือนจึงได้หนีมาบวชอย่างนี้นะกานบวชมาแล้วก็ไปลูกอำนาจแกกิเลสเหล่านั้นไม่เพียนละมัน มันทำให้มันมาปลูกพันธุ์จิตใจอยู่เช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้กระมาตไม่เพียรละ ก, กามาวิตกเหล่านั้นออกจากหัวใจความเป็นนักวดมันก็ไม่ผ่องใสย่ยอมโมหมองหลยมันเป็นยงนั้นเพราะว่าตัณหาความเป็นผู้เห็นโทษแห่งการมคุณในมนุษยโลกนี่แต่ว่า เมื่อท่านกล่าวถึงสวรรค์อย่างนี้ก็ต้องการปรารถนาที่จะให้ได้ความสุขในสวรรค์ในการมคุณ อ, อันเป็นของเทพที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันประนีตมันจงต่างๆอย่างนี้นะ พอได้ไปอ่านพบหรือได้ยินได้ฟังเข้าไปก็เกิดความกระสันอยากจะได้กามเช่นนั้นวันนี้ความเป็นผู้ที่เมื่อหน่ายในร่างกายอันนี้อยากจะให้พ้นไปจากร่างกายอันนี้เสียโดยเร็วพันแต่ตนไม่มีปัญญา สามารถที่จะปรงจะวางรูปกายอันนี้ได้ด้วยด้วยปัญญาด้วยอุบายปัญญาก็จึงได้แต่ความเพ่งอย่างเดียวเพ่งเอาจนรูปสัญญารูปสัญญานี่ระงับไปจา ก, ก จ, จิตใจจิตยังเข้าไปถึงอรูปสัญญา เท่งอรู ป, ปรสัญญาก็ไปเห็นว่าไม่มีอะไรอย่างนี้แหละไม่มีอะไรแต่มีอยู่ทางเห็นว่ามันไม่มีอะไรจิตใจก็ไปติดอยู่ความไม่มีนั้นเข้าไปเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอรู ป, ปรคมอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นตันหาส่วนละเอียดเรียกว่าวิภาวะตันหา ตัณหาไม่อยากเป็นโน้นไม่อยากเป็นนี้น เ, นนเพ่งเอาจนรู้สึกเห็นว่าไม่มีอะไรแต่มันก็มีอยู่ อ, อย่างนี้เพราะมันขาดอุบายปัญญามันได้แต่ความเพ่งอย่างเดียวเคตุนั้นถึงละรูปนามนี้ไม่ขาดแตร่รูปนั้นละละลงได้แต่ติดอยู่ในนามแบบนี้นั่นแหละ ท่านจึงเรียกว่าไปเกิดในอรูปครบอรูปกลมเป็นพรมที่ไม่มีรูปร่างก็ยังไม่ถึงพระนิพพานท่านจึงจัดว่าเป็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกส่วนหนึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราการที่เรียนพยายามละตัณหาทันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าแนะนํานั่นแหะ เราต้องศึกษาให้รู้ว่าตัณหาสามประเภทนี่มันมีอยู่ในใจของเรามากน้อยเพียงใดนี่หรือมันไม่มีอย่างใดอย่างใดมันมีอยู่แต่ส่วนมากนะนะเมื่อกามมาตัณหานี่แหละมันมีอยู่ไอ้เพราะว่าตัณหานั่นเพื่อกลามาตัณหามีเพราะว่าตัณหามันก็ต้องมีอย่างเนี้ ถ้าเจริญปัญญาวิปัสสนาเห็นแจ้งในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งที่เป็นของทิพย์ะเป็นของมนุษย์กระวนแต่ตกอยู่ในลักษณะสามคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเช่นนี้แล้วก็เป็นอันว่าเพียรมยายามละตัณหา ทั้งแต่อย่างงาบจนถึงอย่างละเอียดได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินไปตามคันลองแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดทางไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ต้องพิจารณาเห็นโทษแห่งตันหาแห่งความรักความใครเหล่านี้ไว้เสมอแหละ ถ้าหาผู้ใดยอมตกเป็นทาสแห่งความรักทั้งเต็มร้อยเปอร์เซนต์เช่นนี้แล้วไม่ไหวมันจะต้องเป็นเหตุให้ทำบาปไปหลายอย่างเป็นนักบวชก็ร่วงวิในอันร้ายแรงเป็นคารือหัสก็ร่วงศีลข้อที่สามและเป็นผู้ที่มีความโลกแฝงเข้ามาอีกด้วย ความรักทีแรกมันก็รักในรูปเสียงอย่างว่ามานั่นเนี่ยทนต่อไปมันก็อยากจะได้สิ่งที่มาบำรุงรูปเสียงเหล่านั้นให้เจริญให้เก้าหน้าไปถ้าพูดกันอย่างโจงแจ้งกับมาความว่าคนเราเมื่อได้ลูกได้เมียมาแล้วก็อยากจะได้ เข้าของเงินทองมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมาอำบำนำโดยความ ส, สานุกสนานให้แก่ตนและครอบครัวนี่เมื่อเมื่อความอยากอันนี้มันท่วมท้นหัวใจแล้วมันมันไม่บรรเทาลงได้อย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้สวงหาสมบัติเข้าของเงินทองโดยทางพุจริตผิดศีลผิดธรรมไป มันก็ทำให้สร้างบาปสร้างกรรมใส่จิตใจตัวเองให้พ้นจากบาปจากโทษต่างๆไปไม่ได้ไอคนเราก็อย่างที่พูดได้เบื้องต้นนั่นแหละต้องการสันติคือความสงบเหมือนกันหมดไม่ว่าเพศใดไวไดัยใด เริ่มตั้งแต่ความสงบจากการเบียดเบียนตัวของเราเองก็ไม่ต้องการให้คนอื่นและสัตว์อื่นมาเบียดเบียนอยากแก่อยู่อย่างสงบระงับจากการเบียดเบียนแม่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียน เ, เขาเหมือนกับเราเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้ว เราก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนและตนเองก็นึกอธิษฐานในใจว่าด้วยอํานาจความศักดิ์ความจริงที่ข้าเจ้าไม่คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี้ก็ขอให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นจะได้มาเบียดเบียนข้าพเจ้าเลยต่างคนก็ต่างให้อยู่เย็นเป็นทุกรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ข้างสิ้นนั้นเถิด <c oughs> ก็คิดอย่างนี้เมื่อคิดดำริอย่างนี้ในใจเสมอๆไปไอเวรทั้งหลายมันก็ไม่เกิดขึ้นวันนี้ตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นแล้วอย่างนี้สัตว์อื่นและบุคคลอื่นก็ได้รับความสงบจากตนและคนอื่นและสัตว์อื่นก็ไม่มาเบียดเบียนตน เพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะโดนบันดาลให้มาเบียดเบียนตนก็จึงอยู่ได้โดยสันติสุขอีกการที่คนเราจะถูกเบียดเบียนอยู่ในโลกนี้นะ่ะก็เพราะมันมีเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องกันมาแต่ตนหากไม่รู้เฉยๆเรอมันนะอ่ะอไม่รู้นี่แหละเป็นเหตุทําให้คนเรา ทำในสิ่งที่เป็นโทษทุกข์แก่ตัวเองและคนอื่นทางพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศึกษาให้คิดให้พิจรารณาให้รู้ให้เห็นเหตุแห่งทุกข์โดยตนเองไม่ใช่ว่าสอนให้เชื่อแต่ผู้อื่นเป็นโยดังนั้น พุทธศาสนกชนเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมบรรยายนี้แล้วขอให้พากันน้องก็ไปคิดไปไข้ครวนพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองว่าความเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกอย่างไรความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของ เราทุกคนที่จะต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นโดยตนเองไม่ใช่ว่าเราจะไปเชื่อแต่ผู้อื่นถ้าไปเชื่อแต่ผู้อื่นบางทีก็ผิดบางทีก็ทูกแล้วแต่ผู้ที่แนะนำนั้นจะมีความเห็นอย่างไรมันก็ต้องเชื่อไปตามเขาถ้าเขามีความเห็นผิดแนะไปในทางที่ผิด ตนก็เชื่อว่าเขาเป็นนักประหลาดอย่างนี้กระหลงเชื่อทําไปตามเขาเดินทางผิดไปอย่างนี้มันก็มีตัวอย่างอยูอย่เยอะแยะในข้งพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้าอาสาศัตรูพระราชโอรสของพระเจ้าพิมิสารไปสมาคมกับพระเทวทัต พระเทวทัตก็ยุโยงส่งเสริมให้ทำปิตุขาดห้าพระบิดาเสียถ้าหากว่าพระเจ้าอาศัตรูไม่ได้ทำปิตุขาดดังกล่าวนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะได้บรรลุโสดาบันในชาตินั้นอแต่นี่ไปทำปิตุขาดตัดสวรรค์ตัดทิพพานแล้วในชาตินั้น มีแต่ดารกเป็นที่ไปดังนั้นการครบหาสมาคมกับบุคคลเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญมากให้เลือกคบเนน่้ก่อนที่จะเชื่อคำสั่งสอนใดๆก็ต้องเรียนรู้คำสอนของพระเจ้าเสียก่อนถ้าผู้ใดไม่เรียนรู้อย่างนี้เขาว่าอย่างไรก็ เห็นไปตามเนี่ยก็ไม่รู้นี่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเทียบกันว่าความเห็นอย่างนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่เราต้องมีพระธรรมคำสอนของพระเถรเจ้าเป็นหลักเครื่องเทียบเคียงถ้าผู้ใดไม่เรียนไม่ไม่ฟังให้รู้หลักแห่งคำสอนของพระเถรเจ้าแล้วก็มักจะหลงไหลไปตามความคามแนะนำของผู้อื่นซึ่งมีความเ่นพิด แต่ถ้าหากว่าได้คบกับบุคคลที่มีความเห็นถูกก็ยังชั่วน่อยหนึ่งเรื่องการครบคนนี่เป็นของไม่แน่นอนเอาจิงจริงดังนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้เราปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้เข้าถึงความสงบระงับจากบาปจากโทษทั้งหลายเมื่อจิตใจสงบจากบาปโทษทั้งหลายแล้ว มันรู้เห็นขึ้นมาด้วยตนเองว่าทางนี่เป็นทางถูกทางนี้เป็นทางผิดมันรู้ขึ้นมาด้วยตนเองได้ถ้าบาปอากุศลยังครอบงำจิตใจโยเช่นนี้ย่อมไม่สามารถจะรู้ทางผิดทางถูกได้นี่หลักแห่งคำสอนมีอย่างนี้ดั่นั้นเราจะไปเมาแต่เ ช, เชื่อผู้อื่นเป็นอยู่ แม้ผู้นี้เคยเป็นครูเรามาเป็นอาจารย์เรามาแตกก่ก่อนอย่างนี้นะท่านแนะนำสั่งสอนเราถ้าเรายังพิจารณาคาสอนของท่านไม่เห็นแจมแจ้งขึ้นมาว่าถูกต้องมีธรรมะเป็นเครื่องเทียบอย่างนี้เราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อก่อนเพราะว่าบางทีผู้เป็นครูของเรานะอาจจะมีความเห็นผิดก็ได้ น, นน่น น, น, น, นการฟังการเรียนรู้ตำรับตำราพระธรรมคำสอนนี่นะจึงเป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่งที่ผู้นับถือพุทธศาสนาจะต้องดูจะต้องเรียนรู้หลักธรรมหลักกอปฏิบัติรู้ทั้งสองทางทางผิดก็รู้ทางถูกก็ ร, รู้อย่างนี้แหละเมื่อเมื่อรู้ทั้งสองทางอย่างนี้แล้ว เราจะได้เลือกเดินทางที่ถูกต้องนั่นทางใดผิดเราก็ไม่เดินถ้ามีผู้มาแนะนาสั่งสอนหากว่าท่านเป็นผู้แนะนําโดยตรงกับหลักพระธรรมคำสอนอย่างนี้ลราก็ควรเชื่อควรปฏิบัติตามอันนี้นะป่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาโดยแท้ เพราะว่ า, วาความเห็นของคนในโลกนี่นะมันไม่ตรงกันมันไปตามนากของกิเลสของใครของเราใครมีกิเลสอย่างไรมันก็มักจะเห็นไปอย่างนั้นเช่นผู้ชอบใจในก า, างนี้การทบุญ ก, การแนะนำอะไร มันก็มักแนะนำไปในทางแห่งกรรมกุลทำบุญกุศลก็ต้องปารกรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสนั่นแหละออกหน้าออกตาต้องมีหมอกรำหมอรองต้องมีภาพพยน ต, นตรีอย่างนั้นถึงจะได้บุญหลายถึงจะมีจิตใจเบิกบานผ่องใสความเห็นของบางคนเป็นอย่างนั้น แต่ในทางพุทธศาธสนาแล้วพขาพุที่เจ้าสัตว์ว่าเป็นความเศร้ามองการทำบุญกุศลแบบนั้นเพราะว่ามันเจืออยู่ด้วยกิเลสความเพลิดเพลินในกา ร, รมคุณเป็นกิเลสทำใจเศร้ามองขุนมัวแล้วยังแทรกอยู่ด้วยบาปอีกด้วยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงกันดื่มเหล้าเมาสุรา เอาเล่าเอาสุรามาเลี้ยงกันให้มึนเมาให้สนุกสนานเฮฮา ต, ต่างๆแบบนี้นะนั่นแหละเรียกว่าทำบุญแทรกอยู่ด้วยบาปดังนั้นเราทุกคนต้องรู้ไว้ไม่ใช่ว่าเป็นทางบุญกุศลอะไรแบบนั้นนะความจริงนะถ้าหาว่าเข้าใจถูกแล้วไม่ควรที่จะไปเอาเรื่องสนุกสนานนั้นไป ปะพล ก, กันกับบุญกุศลเมื่อเราทำบุญแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆสํารวมกายวาจาใจขั้งตนให้ตั้งมั่นอยู่ในสินทำอะไรก็ให้อยู่ยในกรอบแห่งสินนั้นอย่างนี้อย่าให้นอกสินไปเราทำทานก็ดีวัตถุทยทานก็ต้องสเสวงหาในทางที่ไม่ผิดต่อสิน <c oughs> เราทำบุญกุศลประเภทใดก็ดีต้องเอาสินเป็นหลักถ้าว่าทำอยู่ในกรอบแห่งสินแล้วนั่นแหละจะได้บุญหลายทีนี้ความเพลิดเพลินความสนุกสนานนั่นน่ะมันก็ไม่ถึงกับผิดสินหรอกแตน่นผิดธรรมื่อทำาให้จิตใจนั่นเพลิดเพลินมัวเมาไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ในทางที่จะเกิดบุญกุศลนั่นก็เป็นบุญกุศลแทรกอยู่ด้วยกามคุลมันไม่เป็นบุญกุศลอันบริสุทธิ์อันขค้ือนเชื่อว่าบุญแท้จริงแล้วมันเกิดจากการทำใจให้สงบให้เยือกเย็นไม่บอกแวกการดําบุญดําทานอะไรแล้วก็มีสติสารวมใจให้แน่วแน่อยู่ภายในยินดีจะในการบุญการกุศน ไม่ยินดีไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องเสพัดอื่นๆภายนอก อ, อย่างนี้ล่ะจึงจะชื่อว่าทำบุญได้บุญรนล้วนไม่เศร้าหมองขุนมัวด้วยอุปกิเลสต่างๆพระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธการก็ท่านทำบุญกันอย่างนี้แหละในตำราพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้ว การดํ บ, บุญทําทานนี่ทําบุญเอาหน้าภาวนาหาลาบทําบุญเพื่อการค่าการขายหมนีมันล้วนแทรกอยู่ในกิเลสตัณหาทั้งนั้นเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเน่ะเมื่อทําบุญก็เราตั้งใจทําจริงๆไม่หวังจะให้คนยกกล้องสรรเสริญไม่หวังเพื่อการค่าการขายอะไร ไม่หวังที่จะให้ได้เงินได้ทองได้กำไรจากการลงทุนทำบุญทำกุศลนั้นอย่าไปหวังอย่างว่านั้นให้หวังว่าทำบุญนี่เป็นการเสียสละของรักของชอบใจของตนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่นตั้งใจลงอย่างนั้นประโยชน์ตนเพื่อตอนก็มีจิตใจ เบิกบานแผงแผ้วจากความโลภความตณีห่วงแหนนี่ยินดีด้วยการเสียสละของตนนี่การเป็นประโยชน์แก่ตนนะตนได้ความเบิกบานใจบุญกุศลเกิดขึ้นกิเลสคือความโลภความตณีมันหายไปประโยชน์แก่ผู้อื่นผู้อื่นก็คอยได้รับอนโมทนาส่วนบุญกุศลกับตน ส่วนผู้ที่ยังยินดีพอใจอยู่ในกรรมคุณนั้นก็ เ, เมื่อเราเวลาทำบุญเราก็ทำโดยความสงบทีนี้เมื่อต้องการความสนุกสนานอะไรก็จิงค่อยว่ากันไปในการต่อไปอย่าเอามาปะกลกับงานบุญการกุศลถ้าทำได้อย่างนี้การทำบุญกุศลก็ได้ชื่อว่าเป็นธานาังเมปริสุทธัง การให้ทานของเรานี้บริสุทธิ์ดีแล้วหนอดังนี้การทำบุญทาทานอย่างนี้ก็เป็นไปเพื่อสันติคือความสงบอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยบางแห่งที่ทำบุญทาทานอะไรนะ้วมีมโหสถครบงานมีลำวงมีการดื่มเหล้าเมลสุราเกิดอารวาดการขึ้นชกต่อยตบตีกัน บางลายถึงค่าการตายมีอยู่ทั้ไปอย่างนี้เราเรียกว่าทำบุญกลับใจบาปดะะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนควรเอาไปคิดไปกรองให้ดีไม่ควรที่จะทำบุญกุศลไปเสียเปล่าไหวเจ้าดีขวัวกลับมาได้กินอย่างที่เขาว่ากันนั้นไม่ถูกต้อง เราทำบุญต้องให้ได้บุญจริงๆให้ได้ความเบิกบานใจให้ได้ความสงบใจจากความโลภความโกรธความหลงนี่สิ่งที่เราได้บุญอ่ะถ้าเราทำถูกต้องไม่ใช่ว่าได้ทาให้ให้ทานข้าวข้าวจะรังไหลมาให้ทานเงินเงินก็จะรังไหลมาในทนันทีทันใดอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าไม่ได้อย่างนั้นก็ชื่อว่าถือว่าทำบุญไม่ได้บุญ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดของคนอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอุปมามันยังบุคคลปลูกไม้ลงปลูกต้นไม้ลงในดินปลูกแล้วจะอธิฐานให้มันโต ว, วันโตคืนขึ้นไปเร็วๆผล ด, ดอกออกผลให้ได้ง่ายๆอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ ต, ต้องอาศัยเวลาต้นไม้นั่นกลัวมันจะเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นได้ก็ต้องใส่ปุ๋ยรดน้ํา อันนี้มันแตกรากออกไปดูดอาหารมาเลี้ยงลําต้นลําต้นจึงเจริญไว้ใหญ่โตอ่าผีดอกออกผลขึ้นมาได้อันนี้ท่านใดก็อย่างนั้นเลยบุคคลทําบุญกุศลแล้วก็ต้องทําโดยสันติดังกล่าวมานั้นหลังจากทําบุญกุศลแล้วก็พยายามรักษาบุญกุศลบุญกุศลที่แต่และบุคคลเรากระทาบําเพ็ญ น, นี่นะ เมื่อยังไม่ถึงโลกุตระกุสลแล้วมันเสื่อมได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงความเพียรไว้สี่อย่างลักษณะของความเพียร น, นะหนึ่งเพียรละวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานสองเพียรละวังละ เ, เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปสิ้นไป สามเพียรทำบำเพ็ญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนสี่เพียรรักษากุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาแล้วนั้นให้มั่นคงอยู่ในจิตอยู่ใน จ, ใจิตใจอย่าให้เสื่อมสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบว่าให้มีในตนพระพุทธเจ้าทรงแสดงความเพียรด้วยสี่อย่างอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามความเพียรอันมีองค์สี่นี้ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเข้าํานองที่ว่าทาบุญเสียเปล่านั่นแหละจริงๆเลยทีเดียวทาบุญทําทานไปแล้วปล่อยปละละเลยไม่เอาใจจดจ่อไม่สํารวมใจไม่นึกถึงบุญถึงคุณมีแต่เพลินแต่เมาไปในกามคุณดังกล่าวมานั้น เช่นนี้แหละที่พระศาสดาว่าบุญกุศลมันจะเสื่อมไปการรักษากคือรักษาจิตใจนี่ให้มีความเชื่อความเลื่อมใสอยู่ในบุญในคุณนั้นเสมอไปอย่าให้จิตใจมันเสื่อมจากคุณจากคุณนั้นอย่าให้มันเบื่อหน่ายในบุญในคุณเช่นคุณพระพุ ท, พพทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสง เรานึกกะพี่นะเวลาไดก็ให้เกิดความอิ่มใจเกิดปีติขึ้นว่าเราได้ถึงพระคุณดั้งสามนี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆพระคุณดั้งสามนี่เป็นที่พึ่งกําจัดทุกภัยทางจิตใจได้จริงๆไม่ใช่ว่าจะไปกําจัดทุกมาให้เจ็บไข้ได้ป่วยมาให้มีภัยพิบัติภายนอกมาเบียดเบียนเอาอย่างนี้อันนั้นมันก็มีส่วนอยู่บ้าง แต่ว่าเราจะไปเชื่อร้อยเปอร์เซนมันไม่ได้เพราะอะไรเล่าก็เพราะว่าโรคนี้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันอาจจะเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเมื่อไรก็ได้เพราะว่าเราอาศัยโรคนี้อยู่และบางทีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งทำกรรมเวรใส่ตัวเองมาเบียดเบียนคนอื่นก่อความพินาศทิพย์ใหแก่ผู้อื่นมา ทั้งเศรษศาสตรก่อนอย่างนี้นะกรรมเวรอัไ น, นั้นมันติดสายห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสมันก็มาให้ผลแก่เจ้าของผู้กระทํามีทรัพย์สมบัติอะไรมาก็ถูกไฟไหม้น้ําท่วมโจรที้ปล้นเอาไปอะไรหมูนี้นะอโดยระทิปหายไปโดยอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้มันก็เพราะกรรมที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนั้นเนีละ มันเป็นมูลเหตุนะมันมาอำนวยผลให้ไอ้ผู้ที่ไม่ได้กรรมทำกรรมทาเวรอย่างนั้นมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้ก็มาตั้งอกตั้งใจทำความดีไปแล้วมารักษาความดีที่ตนทำไว้นั้นไว้ในใจให้มั่นคงอย่าให้เสื่อมเราระลึกถึงใจสำรวมใจให้ตั้งมั่นต่อผู้สลอยู่ตลอด ไปอย่างนี้ก็ชื่อว่าระลึกถึงบุญกุศลทุกอย่างเลยเชื่อว่าเรามีพระคุณทั้งสามนั้นตั้งมั่นอยู่ในใจเป็นที่พึ่งอยู่ในใจไม่ใช่ว่าจะท่านจะสอนให้ไปเที่ยวระลึกถึงว่าแต่ปีนั้นเดือนนั้นวันนั้นพอสอนนั้นเราได้ทําบุญอย่างนั้นทําทานอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านถ้าไปมอวมัวแต่คิด ยอดหลังคืนไปอยู่นั่นมันจิตใจก็สงบลงไม่ได้เพราะการทำบุญกุศลก็มัง่งมุ่งสันติคือความสงบเป็นที่ตั้งเนี่ยจับจุดนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเรารู้ว่าบุญกุศลเป็นของเย็นเป็นของสงบไม่เป็นของร้อนอย่างนี้นะอะเราก็ ทำความเชื่อมั่นในบุญในคุณนั้นให้ได้แล้วมาทำสมาธิภาวนาเข้าไปทำใจของตนให้สงบลงโดยนึกเอาบุญเอาคุณนั้นเป็นอารมณ์อย่างนี้ธรรมดาบุญคุณมนของเย็นก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อเรานึกบ่อยๆนึกอยู่ในใจนั่นแหละเพ่งอยู่ในใจนั้นบุญคุณเกิดขึ้นในใจแล้วทา มันก็ทำใจให้เยือกเย็นผองใสขึ้นมาเราเพ่งใจที่เบิกบานผ่องใสนั่นอยู่ไม่ท้อไม่ถอยใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้เพราะมันไม่มีกิเลสบาปธรรมอื่นๆมารบกวนเนื่องจากว่าใจเรามันฝักไปอยู่ในบุญในคุณอย่างเดียวไม่ฝักไยไปในทางกิเลสบาปธรรมเออเป็นอย่างนี้นะพากันเข้าใจ ถา้าใจหนึ่งก็ยังยินดีกิเลสปาบระธรรอยู่อีกใจหนึ่งยังยินดีในบุญในคุณอยู่อย่างเงี้ยมันมันก็สงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าไอ้บาปก็ดีกิเลสตัณหาก็ดีต้องให้เห็นโทษของมันอยู่เรื่อยไปแหละ ในใจของคนเราเนี่ยย้ายเห็นว่าเป็นของมีคุณของเรนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์菩าตร า, า ก, ก็าทรงแสดงไว้ในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นแล้วเพราะฉะนั้นพึ่งพาการสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ให้ทำความยินดีเลื่อมใสในบุญในคุณนี้ไว้เป็นรากฐานของกิจใจเมื่อเราเพ่งบุญคุณนี่ ให้แจ่มแจ้งในจิตใจเราใจก็จะรวมลงอย่างที่ว่านั่นเลยแล้วปัญญามันก็จะเกิดขึ้นจากความสงบประับอันนั้นดังแสดงมาขอจบตรงเพียงเท่านี้